เพราะคุณหลานมาใหม่เป็นพระอาคันตุกะเป็นแขกมาเยี่ยมแล้วไอ้ตัวอยู่ข้างบนเขามันจะลงมาถามข่าวถามข่าวไม่ต้องกลัวนะเขาจะลงมาธรรมดาแต่เวลาเขาลงมาก็เหมือนลากต้นตาลทั้งต้นลากลงมาซาซาเวลาเขาขึ้นก็ซาซาลงไปตีนเขาแล้วหายเงียบนะ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 คนนั้นเลยจุดไฟมาหางูทั้งคืนจุดไฟมาแบบนั้นละ่ะกลัวจะมาโดนงูเข้าเพราะเสียงงูใหญ่เสียงโตมากนี่นะพอมาก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ได้คืนเดียวเท่านั้นล่ละท่านสิงห์ทองทำไมละ่ะกลัวละสิยอมรับว่ากลัวกลัวจริงๆโหเหมือนมันจะกลืนเราทั้งคนนี่นะตัวมันจะขนาดเท่าลําตาล งูตัวนี้พยานาคพอตื่นขึ้นมาไปลาหลวงตาว่าอย่างไรละ่ะลูกโอ้ยกลัวงูอยู่ไม่ได้แล้วไปกลัวมันทำไมหลวงพ่ออยู่นี้มานานแสนนานรู้เรื่องของมันหมดไม่มีอะไรแหละอย่าไปกลัวเลยโอ้ยกลัวกลัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว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 แต่ไม่เคยขึ้นพักถ้ำที่ว่า